ตึงตากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีการสำรวมใจนั่นแหละเป็นทางดีก็ในชีวิตของคนเรานี่ก็มีใจดวงเดียวนี่เนี่ยเป็นแก่นเราทำบุญกุศล อะไรต่ออะไรทำความดีทุกอย่างก็เพื่อจิตตรงนี้ไม่ใช่เพื่ออื่นไกล <c oughs> เพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขทุกคนนั้นต้องการความสุขเบื่อต่อความทุกข์สุขทุกเป็นคู่กันถ้ามันมีแต่สุขอย่างเดียว ไม่มีทุกมารบ ก, กวนก็ไม่มีผู้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกหรือเป็นพระปฏิเจคาพุทธเจ้าเป็นตน้น <c oughs> เหติมันมีทุกเป็นคู่กับสุขเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันบุคคลผู้ไม่มีบุญ ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะทุกทาง จ, จิตใจนี้ได้คนมีบุญน้อยก็เอาชนะไม่ได้ต้องเป็นผู้สร้างบุญกุศลไปจนเต็มโน่นนะมันก็จึงเอาชนะทุกทางใจนี้ได้ก็ให้พากันคิดกันกรองดูในชีวิตนี้ให้รู้ให้เห็น ทุกกายกายก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนโรคภัยเบียดเบียนบีบคันเอากวนกระวายกระทบกระทั่งกับจิตนี้ให้จิตนี้ตั้งนิ่งนิ่งอยู่ไม่ได้เพราะร่างกายมันแปรปรวนไปกระทบกระทั่งเอา ทุกใจเข้าใจไม่รู้เท่าสังขารร่างกายตามเป็นจริงอย่างหนึ่งแล้วก็เพราะกิเลสราคะโทสะโมหะมันเผารนเอาเนื่องจากว่าตนเองสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันก็มาเผาจิตใจนี่ให้เราร้อนใจสงบอยู่ไม่ได้ นี่แหละให้ลองคิดดูเราจะไปเอาสิ่งอื่นใดมาขัดจัดกิเลสตัณหานี่ให้ออกไปจา ก, กจิตใจนี่มันไม่ได้ต้องคิดต้องตรองดูให้มันเห็นด้วยตนเองทุกคน <c oughs> ะอะยาวเวมทมนตลคาถาอะไรต่ออะไรของสักศิต์ในโลกอันนี้นะ <c oughs> ที่ว่ามีฤทธิ์มีเดชอย่างไรก็ตามแหละเป็นยักษ์เป็นโขเป็นผู้มีฤทธหกเหิรน เ, เดินอากาศได้มูนีตลอดถึงเทวดาอินพรมหมมูนีก็ไม่สามารถที่จะขัดจัดกิเลสนี้ออกได้ถ้าหากว่าบุญกุศลยังไม่เต็มปัญญาอันยอดเยี่ยมไม่เกิดขึ้นแล้ว ไม่มีทางที่จะละราคะโทสะโมหะนี้ให้น้อยเบาบางออกไปหรือหมดไปสิ้นไปได้เ <c oughs> มื่อคนใดกาจัดกิเลสนี้ให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้มันก็ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไปก่อนแต่ผู้ที่ มีสติมีสัมปชัญญะระลึกถึงชีวิตของตัวเองได้ระลึกถึงความดีที่ตนกระทำมาได้อาศัยกุศลความดีมาเตือนใจเกิดมาในชาติใดก็ไมเ่เป็นผู้ไม่ประมาทพยายามสั่งสมบุญกุศลใส่ตนของตน ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไอ <c oughs> ้บุคคลผู้ที่ปราศ จ, จากสติตสัมปชัญญะแล้วระลึกไม่ได้เลยร ะ, ะลึกถึงความดีของตนไม่ได้และระลึกเตือนตนให้ทำกุศลคุณงามความดีไม่ได้ คนไม่เคยนึกเคยคิดมาแต่ก่อนเหมือนยมคุเกิดมาในชาตินี้หละไม่ได้นึกคิดถึงกุศลคุณงามความดีไม่พอใจในการที่จะประพฤติความดีอย่างนี้นะจิตใจไปผูกพันในความชั่วอย่างนี้ชาติต่อไปนั่น มันก็ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ไปเตือนใจให้พอใจที่จะสร้างบุญกุศลคุณงามความดีถึงว่ามีก็ห่างเต็มทีสร้างบุญกุศลก็ไม่มากไายอะไรมัวเมาประมาทเพลิดเพลินไปในกามคุณนั่นแหละมากกว่าที่จะมาโน้มใจต่อบุญต่อคุณอันนี้ คูนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ประมาทก็ต้องได้ประสบกับความทุกข์ชาติแล้วก็ชาติเล่าเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นแหละพะไม่คิดที่จะสั่งสมบุญกุศลนี้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาอํานวยความสุขให้แก่คนเราในโรคนี้นะ่ะมีแต่บุญกุศลมีแต่คุณรัตนาไกล แก่สามประการนี้เท่านั้นเองเนี่ยแต่ว่าบุญคุณเหล่านี้บุคคลก็ต้องสร้างขึ้นนะจะให้บุญคุณเหล่านี้มาอำนวยความสุขให้เองโดยที่ตนไม่สร้างไม่ทำอุบายแยบคลายในใจเลยไม่มีความเพียรทางจิตใจเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้อ่าเป็นไปไม่ได้อย่างงี้เพื่อใดสร้างขึ้นจึงค่อยเกิดมีขึ้นแก่ภู น, นันบุญคุณนี่นะ ให้พึ่งพากันเข้าใจบุญคนไม่มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่จิตนี่แหละถ้าหากว่าไม่มีอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นอันว่าไม่มีเท่านั้นเองเนี่ยผู้ใดสร้างขึ้นก็มีอยู่กับผู้นั้นแหละเกิบพิจารณาให้มันเห็นเพียงอย่าฟังแต่ ผู้อื่นพูดให้ฟังเท่านั้นแล้วแล้วไปเลยเมื่อท่านพูดอย่างนี้นะตนก็กำหนดเอาไปพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ก็ให้มันรู้ด้วยตนเองคื mm hmm. ว่าความจริงที่ว่ากิเลสตัณหาเนี่ย มันจะเบาวางหรือหมดไปสิ้นไปได้ก <För bek fitness> ็ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งคุณนี่เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีนี่นะมันเป็นความจริงไหมตนเห็นชอบด้วยไหมไปคิดไปตรองดูให้ดีก็ทำไมล่ะกิเลสตัณหานี่มันต้องอาศัยบุญคุณเป็นเครื่องกำจัดก็เพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะมันมีคู่ปรับกันอย่างดังจะเปรียบเทียบให้ฟังเช่นมีร้อนแล้วมันก็มีเย็นแก้อย่างนี้นะเมื่อความเย็นเกิดขึ้นแล้วความร้อนมันก็หายที่นี้เมื่อความร้อนเกิดขึ้นแล้วความเย็นมันก็หายนี่ <c oughs> เมื่อมีสุขแล้วมันก็มีทุกมาเป็นคู่กันเมื่อสุขเกิดขึ้นแล้วทุกมันก็หายเมื่อทุกเกิดขึ้นแล้วสุขมันก็หายไปเมื่อมีบุญเกิดขึ้นมาแล้วบาปมันก็หายไปเมื่อมีบาปเกิดขึ้นมาแล้วบุญหายไปมันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้ แต่ว่ามันมีจิตเป็นประธานอย่าไปเข้าใจว่ามันเกิดเองเมื่อจิตน้อมไปสู่บุญกุศลบาปมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่จิตไม่สร้างมันขึ้นมานี่ถ้าจิตน้อมไปในทางบาปอากุศลมันก็ไปสร้างบาปอากุศลอะไรให้เกิดขึ้นบุญกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่นะ แต่ว่าบาปนั้นมันมันมีเชื้ออยูอ่ภายในจิตใจบุญก็มีเชื้ออยู่แต่เมื่อจิตไม่สร้างขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนอย่างพื้นแผ่นดินนี่แหละมันมีเชื้อของพืชต่างๆอยู่ในดินเนียว น, น, นี่ <c oughs> ทีนี้เมื่อมัน เหตุปัจจัยมันถึงพร้อมแล้วพืชเหล่านั้นนะมันก็งอกขึ้นในพื้นดินเนี่ยแต่ถ้าที่ไหนเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมมันก็งอกขึ้นไม่ได้เช่อนอย่างแผน่นหินศิลาตั้งอยู่ที่ไหนอย่างนี้น ะ, อะไอพืชต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันไม่มีเชื้ออยู่ในนั้นนะ ธาตหินอันนั้นนะมันไม่มีเชื้อของพืชต่างๆอย่างนี้ <c oughs> เพื่อนเสียแต่ว่าอย่างเช่นนกนาไปกินผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมาถ่ายลงไปสู่ซอกหินหรืออะไรอย่างนี้อ่ะฝนตกมาลดเอา มันก็งอกขึ้นได้เหมือนกันแหละต้นไม้เนี่ยแต่ว่าตัวธาตุหินแท้ๆนะต้นไม้มันเกิดไม่ได้ต้นไม้มันเกิดขึ้นได้แต่ดินธาตุดินนี่แหละธาดดินบางแหง่งมันแห้งแล้งมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้นไม้นั่นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยจิตใจของคนเรานี่นะถ้าหากว่า ไม่ชุ่มชื่นไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในบุญในคุณเกิดขึ้นในจิตใจอย่างนี้นะบุญคุณก็เกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้เช่นคุณพระรัตนากายอย่างเนี้ยจะเกิดขึ้นในใจได้ก็ต่อเมื่อใจของผู้นั้นเนะชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงและพระ อ, องค์ก็สัตรุเป็น พระพุทธเจ้าจริงด้วยอำนาจแห่งพระบรมีธรรมที่พระองค์ได้สั่งสม <c oughs> อบรมมาแต่อเนกชาตินั้นอย่างนี้แหละผู้ใดเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นได้สร้างบารมีมาจริงแล้วพระองค์กะละราคะโทสะโมหานี้ให้หมดสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญญาบารมี ของพระองค์นั้นจริงๆเนี่ยก็จึงตัดสรุปแจ้งซึ่งพระธรรมพระธรรมที่พระองค์เจ้าทรงแสดงนั้นเป็นของจริงแท้พระองค์กลั่นของเอามาจากพระไตรันบริสุทธิ์จริงพระสงค์ผู้มีความเลื่อมใสในผู้เจ้าล ะ, ละบ้านเรือนออกบทปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา ก็สามารถละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานได้จริงเมื่อผูใ้ใดเห็นแจ้งในพระคุณทั้งสามนี้ด้วยปัญญาของตัวเองแล้วมันก็เชื่ อ, อนี่ก็เชื่อมั่นลงไปแล้วเมื่อเชื่อมั่นลงไปจริงจริงกราบไหว้สักการะบูชาอยู่เสมอพระคุณนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นย่อมเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ กำจัดภัยออกจา ก, กจิตใจได้จริงๆนี่เราคิดดูทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังว่ามันเกิดที่ใจใจเป็นใหญ่ทั้งนั้นหละแม้บุญกุศลก็เหมือนกันที่บุคคลจะสั่งสมให้เกิดมีขึ้นได้ก็เพราะเชื่อว่าการให้ทานนั้นอ่ะมันมีผลจริง พระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วจริงพระองค์รู้ว่าการที่พระองค์จะสมบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญและความสุขใดๆมาในสงสารนี้กระดุ้ยอำนาจแห่งทานการบริจาค ข, ของพระองค์ด้วยแล้วก็ด้วยการประพฤติธรรมอย่างอื่นด้วยนี่ด้วยด้วยอำนาจแห่งความดีที่พระองค์ประพฤตินี่แหละ มาอำนวยให้พระ อ, องค์มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจนได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิราชมีอำนาจครอบครองทวีทั้งสี่อันนี้มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนี่พระราชอำนาจของพระเจ้าจากักรพรรดิน่ะครอบคุมไปโลกทั้งโลกอันนี้เลยก็เพราะว่าอำนาจบุญบารมีที่พระเจ้าจากักรพรรดิราชได้สร้างมา จนเต็มตามภูมิของจักรพัฒสมบัตินั่นเองเอตันจิงโดนบันดาลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยจักรพัิสมบัติเหล่านั้นนี่แหละอนุภาพแห่งบุญกุศลน่ะพากันพี่นาให้เห็นดังที่เคยพูดมามบ่อยๆอยู่แล้วอานิสงส์ที่ให้ข้าวน้ำเป็นทาน มันก็จะมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้แข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์อา น, นิสงแห่งการรักษาสินให้บริสุทธิ์ก็จะทำให้บุคคลพูกนั้นเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานเมื่อเกิดมาในโลกนี้นะนอา น, นิสงที่บุคคลจเจริญเมตตาการุณาให้มากๆไม่เป็นคนใจดำอำมหิต ไม่เป็นคนหน้าบึง้งหน้าตึงต่อคนอื่นและสัตว์อื่นเหล่านี้จะทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณวันนับผุดพ่องอเรียกว่าผ่องใสใครพบใครเห็นเขาแล้วก็ชื่นชมยินดีด้วยอ น, นี่เป็นานิสงที่บุบคคลผู้เจริญเมตตา ร, รมกรุณาธรรมให้เกิดมีขึ้นในใจ บุคคลใดเป็นผู้มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดก็เพราะแต่ชาติก่อนนั้นได้เข้าหาสมาคมนักปราชบัณฑิตบ่อยๆศึกษาไต่ถามข้อข้องใจต่างๆเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เหล่านี้นะบุคคลจะรู้ได้ต้องอาศัยการคบหาสมาคมกำนักปราชบัณฑิตนั่นแหละผู้ใดมัน เข้าใกล้ศึกษาไต่ถาม ข, ข้อข้องใจต่างๆกำนักปราบบัณฑิตอา น, นิสงส์อันนี้ก็ส่งให้เกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากกวัวคนธรรมดาสามัญใครเป็นผู้มีความเคารพน้อมน้อมต่อวอุทธะบุคคลคือบุคคลผู้เจริญก่อนตน้น เช่นชาติปีอุตโทผู้เจริญด้วยชาติโดยตระกูลเช่นพระราชามาหากัตรย์เป็นต้นเหล่านี้แล้วก็วัยยะอุตโทผู้เจริญด้วยวัยผู้เกิดก่อนปุนมารดาบิดดาปุณลุงป้านาอาของตนแล้วก็ตนก็เคารพนับถือเหมือน พ่อเหมือนแม่เหมือนลุงป้าน้าอาของตอนนั่นแหละตนเคารพ น, น้อมต่อท่านเหล่านั้นชั้นใดเราก็เคารพน้มน้อมต่อผู้มีวัยวุธที่ก่อนตอนฉันนั้นแหละผู้ใดมีอุปการรัคุณแก่ตนแม้จะเป็นคนมีอายุอ่อนกว่าตนก็ตามแหละตนก็นับถือ ตนก็เคารพนับถือเพราะว่าตนได้รับอุปการะจากท่านผู้นั้นอันนี้ท่านเรียกว่าคุณนวุธโธผู้เจริญด้วยคุณงามความดีเช่นว่าเขาเป็นผู้มีอายุอ่อนกว่าตนก็จริงแต่เขามีบุญวัสนาในสั่งสมโอโรมาแต่ก่อนโน้น เป็นเนตุที่เขามีความรู้ความฉลาดในทางผิดทางถูกหรือทางมีทางชั่วแต่จนถึงแม้จะมีอายุมากก็จริงแต่บุญตนน้อยสติปัญญาอันใดก็น้อยไม่มีความรู้ความฉลาดเท่าที่ควรอย่างนี้นะมันก็ควรอ่นอบน้อมต่อผู้ที่เขามีความรู้ความฉลาดกว่าตนนั่นแหละถึงจะมีอายุอายุน้อยกว่าก็ตาม นี่ไม่ควรในถือเนื้อถือตัวแข็งกระด้างกระเดือง <c oughs> ไม่ใช่นั้นแล้วผู้นั้นก็จะไม่มีสติปัญญาต่อไปก็จะเป็นคนไม่มีสติปัญญาอยู่ยนั่นแหละเรื่อยไปเพราะมัวทั้งจะถือเนื้อถือตัวกระด้างกระเดืองอยู่อย่างนั้นผู้ใดมีความกระด้างกระเดืองไม่เคารพอ่า ต่อผู้มีคุณวุทธที่ผู้มีวิชาความรู้สูงกว่าตอนอย่างนี้นะเกิดไปาชาติใดก็จะเป็นคนโง่ไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลยผู้ที่มีความรู้ความฉลาดมากเพราะถ้าชาติก่อนมันเข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตแต่ถามข้อข้องใจต่างๆรู้จักกลาบรู้จักกว้ายไม่ทำตนเป็นคนแข็งกระด้างกระเดืองอย่างนี้นะ มีอานิสงเหล่านี้น่ะจักอํานวยให้ไปเกิดในตระกูลสูงด้วยแล้วก็ทั้งมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดท่องบนจดจำศึกษาเ่าเรียนวิชาความรู้อะไรก็พผันจำได้ง่ายไม่อืดอาดยืดยัดในการจำอันนี้ก็เพราะอานิสง ที่เศชาตากอ น, นันทนได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตพอใจศึกษาแลาเรียนท่องบนจดจำอวิชชาความรู้ที่นักปราชญ์บัณฑิตท่านแนะนำสั่งสอนนั้นเรียกว่าชอบวิชาพูดง่ายๆมันเท่าไหชอบวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมไม่เบื่อนายต่อวิช า, าความรู้ต่งางๆดังกล่าวมานั้น นี่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันมาด้วยเหตุนะมันมีเหตุมันจึงปรากฏผลในปัจจุบันนี้ถ้าแต่ชาติก่อนนั้นอ่าบางคนใดอ่ะไม่สนใจไม่พอใจในการศึกษาเราเรียนเบื่อต่อวิชาความรู้ต่างๆไม่สนใจเลยอย่างนี้เกิดมาในชาตินี้ก็เป็นคนโง่สมองทึบเรียนอะไรก็จำไม่ได้ฟังอะไรก็เข้าใจไม่ได้ ไอ <c oughs> ้อย่างหนึง่งเห็นคนอื่นเขาท่องบนจดจาวิชาความรู้ต่างๆอย่างนี้นะก็ไปหัวเราะเยาะเย้ยเขาให้เขาเกิดความเก้อความกระดากกระเดืองไม่สามารถจะท่องบนจดจาอวิชชาความรู้เหล่านั้นได้กรรมนั้นมันก็ตามสนองเอาเลย <c oughs> เกิดมาชาตินี้ก็ทำให้เป็นคนอัดอั้นตันปัญญา เรียนอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างท่านพระจุลบรรพกในครั้งหพระเจ้านั่นอพี่ชายนั้นเรียกว่ามหาจุลบรรพกพี่ชายออกบวชก่อนน้องชายบวชมาแล้วปฏิบัติไปไม่นานก็ได้สําเร็จอรหรันพี่ชายก็นึกถึงน้องชายยึงใปขอมเอาน้องชายมาจากมารดาบิดา เอามาบวชประดีมาแล้วบวชแล้วพี่ชายนั่นสอนคาถาหรือว่าสอนแนะนำไอ้คำสอนของพุทธเจ้าให้ท่องให้จำเอาเพราะสมัยนั้นสอนกันด้วยปากเปล่าสอนอย่างไรน้องชายก็จำไม่ได้เลยทั้งบาทพระคาถาเดียวหนึ่งสอนอยู่ทั้งสามเดือนสี่เดือน ก็จําไม่ได้วันนี้พี่ชายเราถือว่าน้องชายนี่เป็นคนอาภัพเลยขับไล่ให้หนีจากวัดนี้น้องชายถูกพี่ชายขับไล่อย่างนั้นก็เสียใจคืนวันหนึ่งนั่นเมื่อ น, นึกกุ้มใจมา ก, มากแล้วก็ตอนหัวรุ่งอะ ตัดสินใจว่าเราจะหนีละออกจากว่านี่ไปศึกหาลาเพศไปครองเรือนอย่างคนธรรมดาทั่วๆไปนั่นแนะเพราะว่าเรานี่บุญน้อยท่องบนจดจำอะไรก็ไม่ได้พอดีพระศาสดาทรงเึ่งญาณสองสัตว์โลกท่านจุนลบรรพทกนี่ก็ไปต้องขายพยานของพระ อ, องค์ พระพิณาดูรู้บุพรกรรมของจุลรับบรรทกแล้วแล้๋ยวรู้ว่าพระจุลรับบรรทกเนี่ยสร้างบุญบา ร, รมีมาเต็มแล้วสมควรที่พระองค์จะไปโปรดเอาเด่๋ยนั้นพระองค์จึงเสด็จมาเดินจงกรมอยู่หน้าประตูวัดนะเมื่อท่านจุลรับบรรทกเดินออกไปไปเจอพระศาสดาเขา้า พระองค์ก็ทรงตัสถามเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วก็เอาพระหัต้นไปรูปศีสะบคล้ายๆกับมาแสดงความเอ็นดูแล้วก็ตรัสแก่ท่านพระจุลบรรทกว่าดูก่อนจนบรนทอในเมื่อพี่ชายขับไล่อย่างนี้นะทำไมท่านจึงไม่นึกถึงเราจะถาคตแล้วา เราในฐาคนนี้เสมือน ก, นกันกับบิดาของท่านนั้นแหลวจะให้ความอุปการะเกื้อกูลเต็มที่คันแล้วพระองค์เจ้าก็นำพระจุลบรรทถกไปสู่พระคันธคุดีแล้วทรงนิลมิตรผ้าเช็ดหน้าผือหนึ่งให้ท่านจุนลบรรทถก แล้วก็สอนคาถาบริกรรมให้รัตโชหารนังรัฐชังหารติอันนี้แหละให้ท่านจุลโมทกท่องจำเอาท่านก็ท่องจำเอาได้นี่เพราะมันถูกกับจริตนิสัยพระองค์เจ้าก็แนะนำให้นั่งภาวนาลงไปนั่งสมาธิลง แล้วก็บริกรรมว่ารัชโชหระนังรัชชังหรติแปลว่าผ้าเปื้อนด้วยธุรีละ อ, องหนอแล้วเอาผ้าที่พระ อ, องค์เจ้าินมิตรไทนั้นถูกับแข้งขาตัวเองนี่ไปมาทางในใจก็บริกรรมคาถาอย่างว่านั้นไปพอถูไปถูมาพระ อ, องค์เจ้าก บ, บรรดานในผ้านั้นคล้ำดาไป สกกรปกไปเมื่อท่านพีจนาเห็นผ้าอันนั้นแล้วก็มาดำํำรีในใจว่าแม่ร่างกายนี่สกกรปกโสมมจริงๆไดูแต่ผ้าเนี่ยขาวสะอาดทีแรกพอเอามาถูใส่ผิวหนังเท่านี้แหละก็คล้ำดาไปศกกระโปกะเทอะไปหมดเลยไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอะไรเลยร่างกายน่าเบื่อจริงๆไง เมื่อดำลิอยู่ในใจอย่างนี้ก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นมาพระศ า, าสดาทรงร่วงรู้กระทรงเปล่งพระรัศมีไปและไปสอนทางวิปัสนาให้ท่านจุนลบรรทกให้ท่านพิจารณาให้เห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุคือดินน้ำไฟลม โดยอาศัยบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นรีนเป็นกายเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ขึ้นมาอแล้วบุญกุศลเหล่านั้นก็เป็นของไม่เที่ยงมันมีความแปร่โพนไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าบุญกุศลที่ตกแต่งร่างกายนี้มันจะยั่งยืนตลอดไป เมื่อบุญกุศลตกแต่งร่างกายนี้ไม่ยังยืนเล้ยร่างกายนี้ก็ไม่ยังยืนเหมือนกันเมื่อบุญหมดร่างกายนี้ก็แตกสลายออกไปตั้งอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นน่ยท่านจงอย่าถือมั่นว่าอัภาพร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราเป็นเขาจงปล่อยจงวางมันเสียทั้งไม่ยังไม่ยืนด้วยทั้งไม่สวยไม่งามโสกปฏิกูลมี กลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีรูปร่างสันฐานก็ไม่น่ารักให้พึงใจอะไรหรอกพูดถึงที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุกโพโลหิตเหมือนคำว่าก็ไปนอนอยู่ในท้องของมารดานุนอยู่ในมดลูกคตั้งแปดเดือนเก้าเดือนแช่อยู่ด้วยน้ําเลือดน้าเหลือง อยู่อย่างนั้นแหละเมื่อท่านจุนลบรรพกพิจารณาตามที่พระศาสดาทรงแนะ น, นำสั่งสอนไปนั้นพระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมนั้นจบลงท่านจุนลบรนพก k ก็ได้บรรลุอรหันต์ในในวันนั้นนะ่ะท่านจุนลบันพก t r o ไม่ เข้าไปในบ้านบังเอิญหมอโกมารพัทอราสนาพระพุทธเจ้าเระพระสงค์หมดทั้งวัดเลยไปฉันในบ้านแต่ท่านจุลปันถกนั้นพระศาสดาให้บริกรรมภาวนาอยู่ที่พระคันธ ก, กุดีของพระองค์พระองค์งสเสด็จไปบ้านหมอโกมารพัทแล้วก็ทรงกําหนดรู้วาระจิตของท่านจุลปันถกที่บริกรรมภาวนาโดยระดับ โดยลำดับไปแล้วเมื่อจิตใจของท่านน้องไปในทางวิปัสนาแล้วพระองค์เจ้าจึงได้ส่งกระแสจิตไปสอนทางวิปัสนาดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อท่านพิจารณาตามก็จึงว่าเป็นผู้มีฤทธิ์สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ในว่าท่าน เป็นผู้แตกฐานในอัดในธรรมมากทีเดียวเพราะได้บรรลุอรหันต์แล้วมเมื่อหมอกโกมารพัฒน้นมอาหารเข้ามาถวายพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็ไม่ทรงรับเพราะว่าพระ อ, องค์เก้าทรงรับสั่งว่ายังมีภิกษุองค์หนึ่งเหลืออยู่ในวัดท่านพระมหา บรรทโหกนั่นท่านเป็นพระตูเทศผู้จัดแจงแต่งให้พระพิสูสงไปรับนิมนต์ไปฉันในบ้านไปสวดมนต์อะไรท่านเป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่ท่านก็กราบทูลภะศาสดาว่าพระไม่มีอยู่ในวัดนั้นหมดแล้วพระเจ้าข้าเพราะท่านเข้าใจว่าน้องชายของท่านหนีไปแล้ว ท่านขับไล่อะพระศาสดาก็ทรงยืนยนนันว่ามีพระยังมีอยู่ในวัดท่านองค์หนึ่งอย่างนี้หมอโกมารพัทก็เลยใช้ให้คนไปนิบน่ะเข้าไปในวัดท่านจุนลบรรทกเข้าสมาธิอยู่ก็รู้ว่าพี่ชายของตนกราบทูลพระศาสดาว่าไม่มีพระอยู่ในวัด ถ้าเช่นนั้นเราจะแสดงพระจะแสดงพระให้เต็มวัดนี่แหละให้ได้รู้ว่าพระไม่มีจริงเหลอคนที่รับใช้หมอขุ ม, มาราพัฒเข้าไปในวัดเห็นแต่พระเต็มวัดเลยกวดวัดอยู่ก็มีสักผ้าอยู่ก็มีย้อมผ้าก็มียเย็บผ้าอยู่ก็มี มันนี่ไอคนที่ไปนิมนต์ก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นท่านจุนลบรรพกไม่กล้านิมนต์เลยกลับคืนไปบ้านไปบอกหมอโกโมาราภัสว่าผมไปแล้วในวัดนั้นนี่แต่พระเต็มวัดเลยจะไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นท่านพระจุลบรรพกก็ไม่สามารถจะรู้ได้เหวัง ดูๆแล้วมันเหมือนกันหมดเลยพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำว่าจงไปอย่างนั้นเมื่อเข้าไปในวัดแ้วให้ถามเลยว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์ในหนอที่ชื่อว่าจุลบัรทมท่นนี้ก็ตอบขึ้นเป็นเสียงเดียวกันเลยอ่ะ เรานี่แหละคือท่านจุนลวันโกพร้อมกันเลยทีนี้ก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นท่านจุนลวรณโธกิง น, น, นะอ้าวก็กลับไปอีกพระศาสดาก็จึงในเนะอุบายให้บอกว่า <c oughs> เมื่อเข้าไปแล้วนะจงไปจับชายจีวรของท่านองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ะจงถาม คือว่าท่านองค์ใดที่ชื่อจุลบรรทุกเมื่อท่านตอบขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยองค์นอกนั้นก็จะหายไปหมดก็ยังเหลือแต่พระจุลบรรทุกองค์จริงที่ท่านจับเชิงชายจีวรไว้นั่นเนี่ยอุบาสกนั้นเข้าไปในวัดแล้วก็ไปปทำตาม ท, ท, ที่พระองค์เจ้าแนะนํานั้นอพระนอกนั้นก็หายไปหมดเลยก็จึงได้ ท่านจุลบรรทกมาในบ้านของหมอโกมาระพัทเมื่อท่านมาถึงแล้วหมอโกมาระพัทกับ พ, กพวกก็ได้น้อมถวะอาหารนั้นเข้าไถวายพระองค์และพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ฉันพระตาหารอิ่มน้ํำสารานหมดแล้วพระาศาสดาก็ทรงรับสั่งให้ ท่านจุลวรันโทกนั่นแหละแสดงธรรมให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายฟังแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับวัดท่านจุลวรันโทกนั้นพอเมื่อได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็เป็นผู้แตกฐานในพระกายพิดกเลยบางทีความรู้นันหลั่งไหลามาเหมือนน้ำในแม่น้ำนั่นแหละ หลังไหลลงไปสู่มหาสมุทรทะเลไม่สิ้นสุดฉันใดความรู้ในธรรมในวินัยของท่านจุลบรนทกก็ไม่หมดไปสิ้นฉันนั้นล่ะพระศาสดาเสด็จกลับไปแล้วท่านจุลบรนทกก็แสดงธรรมเหมือนกับน้ำไหลไฟไหม้นี่แหละปฏิพาน์โวหารท่านแตกฉันออกมาเต็มที่เลย พระพี่ชายก็ดีพระทั้งหลายได้ยินได้ฟังอันนั้นก็เกิดแปลกใจขึ้นมาเอ๊ะแต่ก่อนนี่เรียนมาคาถาเพียงบาทพระคาถาเดียวกับพิชายอยู่ทั้งสามสี่เดือนก็จำไม่ได้ในวันนี้ทำไมท่านยึงแสดงธรรมได้อย่างวิจิตพิสดารเหลือเกินนะน่าอัศจรรย์ใจว่างั้นเสร็จแล้วเมื่อกลับไปในวัด พระทั้งหลายก็ไปทูลถามพระศาสดาพระองค์เจ้าก็จึงได้ยกชีว่าประวัติของท่านจุลบรรทพมาให้พระสง์ทั้งหลายฟังว่าตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วนู่นแต่จุลบรรทกนี่ <c oughs> ได้บวชเหมือนกันเนะเออไม่ใช่นานอะไรหรอกในศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปานี่เลย ท่านได้ออกบวชเป็นพระภิกษุแล้วเป็นผู้เรียนธรรมเรียนวินยัยจบพระไกรพิดกในครั้งนั้นทีเดียวแหละแล้วก็สอนทำสอนวินัยนั้นให้ลูกศิษ ย, ย, ย, ย์ลูกหาเยอะแยะทีเดียวแหะพอดีมีลูกศิษย์องค์หนึ่งไปเรียนด้วยวันนี้ท่านสอนไปให้ลูกศิษย์ว่าตาม เพราะว่าสมัยเช่นนั้นก็ไม่มีจารึกลงในใบลานในกระดาษอะไรหรอกคำสอนนะ่ะมีแต่พระสาวกสงฆ์เจ้าเป็นผู้เรียนเป็นผู้ฟังแล้วจำเอาไว้ในใจแล้วก็มาสอนคนระบุตรสืบต่อกันไปอย่างนั้นนะบัดนี้พิกหนุมอง์นั้นเรียนยังไงท่องอะไรก็จำไม่ได้พระอาจารย์ผู้สอนก็เลยนึกขำในใจเราหัวเราะ ขึ้นมาพระองค์นั้นเลยเกอ้อไม่สามารถจะท่องจะเรียนจําเอาคําสอนนั้นได้เลยนั่นแหละกรรมอ น, นั้นแหละตามมาสนองให้ท่านเป็นผู้มีสมองทึบเรียนอะไรจําอะไรก็ไม่ได้นั่นนะที่นี่า น, นิสงที่ท่านได้บรรลุอรหัตผลนั้นในชาติหนึ่งได้ เกิดมาแล้วได้เป็นพระราชามาหากษศัตริ์คราวหนึ่งนั่นทรงช้างแล้วก็เสด็จเรียบพระนครด้วยบริษัทบริวารเป็นอันมากพอไดีนั่งไปบนหลังช้างนั่นแดดมันแผดเผาเอาร้อนเหงือ่อใครไหลออกมาก็เอาผ้าเช็ดหน้านี่แหละ มาชับเหงื่อมาถูตามอตัวเนี่ยเพื่อเช็ดนําเหงื่อน้ำใครออกไปเมื่อเช็ดไปเช็ดมาผ้านั่นก็เศร้าหมองเข้าชี้นนี้มาพิจารณาดูวันนี้เอ๊ะร่างกายอันนี้มันสกรปรกสมบมจริงจริงผ้านี่นะสะอาดสะอาดอยู่แต่พอเอามาเช็ดมาถูเหงื่อใครนี้เข้าไปแล้วก็คร่ำค้าไปเศร้าหมองไปเลย อร่างกายคนเรานี้ไม่ใช่เป็นของสวยงามอะไรฮะเต็มไปด้วยบุพเพโลหิตเต็มไปด้วยสิ่งโสโครตปฏิกูลต่างๆเลยได้ความนิพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจอันนั้นแ่ะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาแต่ในชาตินั้นเพื่อนก็ไม่ได้ออกปวดอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่แต่ความดำริในใจอย่างว่านั้นอ่ะมันเป็นอุปนิสัยปัจจัย ติดตามมาพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของท่านจุนลบรรทกุกท่านได้ดำริในภายใน จ, ใจิตใจอย่างนี้แล้วก็แต่เอาผ้าเช็ดหน้านั้นเช็ดตัวมาแต่แช้าก่อนนะมาดำริเห็นเป็นของโสโครปฏิคูลเป็นนิสัยประใจมาดังนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงนิรมิริผ้าเช็ดหน้าให้ผืนหนึ่งแล้วบอกคาถาบริกรรมให้ ก็จึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจพอเห็นภาพมันเศร้าหมองอด้วยพุทธานุภาพอันเป็นปัจจัยติดสอยห้อยตามท่านมาแต่ก่อนโน้นนะนั่นเอ <c oughs> ถ้าว่าท่านไม่ได้เจริญอสุภากรรมฐานมาอย่างนั้นเป็นอิสัยปัจจัยมาเพราะองค์จะไปทำอย่างนั้นให้ เพื่อนได้บรรลุอรหัตผลนี่เป็นไปไม่ได้เลยอลองคิดดูนี่แหละคำว่านิสัยวาสนานะเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นนะทุกคนนะให้พากันเจริญภากรรมฐานไว้ให้มากๆทีเดียวเจริญอาทุพักกรรมฐานนี่แหละผู้ดใดเจริญกรรมฐานอันใดก็เป็นอุบันิสัยปัจัยเลย คือกรรมฐานนั้นมันถูกกับจริตของตนพอนึกถึงกรรมฐานอันนั้นแล้วมันรู้สึกว่าจิตใจเบิกบานขึ้นถ้าสมควรที่จะเบื่อหน่ายมันก็เบื่อหน่ายขึ้นมาทันทีอย่างที่ท่านจุลบรรทุกตะคั่งเป็นกษัตริย์อยู่ในอดีตการนูนนะ่นไงธรรมดาวิสัยผู้มีบุญผู้มีปัญญา ไม่ดูได้ลวเห็นอะไรละต้องดำรีตรีตองอย่างว่านันเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหลือเช็ดใครตามหน้าตามตัวเข้าไปแล้วมันเศ้าหมองไปกันอย่างดำริทวนกระแสจิตเข้ามาดูร่างกายนี่อืมร่างกายอันนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งชกโปกโสโครบอาหารรับประทานเข้าไปแล้วไปธาตุย่อยไปเรียงร้างกาย ก็ดีเมื่อถูกความร้อนมันกระทบกระทั่งกับร่างกายนี้เข้าไปอ า, อาหารที่มันย่อยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนั่นเช่นน้ำก็ดีอาหารก็ดีมันก็จะไหลซึมออกมาตามรูขนนะั่นรูขุมขนนั่นเองนะแล้วก็บัญญัติว่าเหงือ่อไข่อย่างนี้แหละ เพราะว่ามันเป็นเศษของอาหารมันอาหารอันละเอียดที่ไปเล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยนะมันไหลหลังออกมาตามรูขุมขนนั่นนะด้านเมื่อแปะมาแปดเปื้อนผ้าผ่อนเข้าจึงดำโสูโคกเข้าไปแล้วก็มีกลิ่นเหม็นซะด้วยอันนี้นะผู้มีปัญญาโน้มเข้าไปพิจารณามันก็เห็นชัดสิเพราะมันมีจริงนี่ เ, นเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายขึ้นในใจ นี่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะให้ได้สำเร็จอรหัตตผลนะเพราะฉะนั้นแหละพวกเราทั้งหลายเมื่อได้ฟังอุบายธรรมะหรืออวัยการเจริญพระกรรมฐานดังหยิบยกเอาเป็นปุก ข, ขราธิฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้งมาแสดงสู่กันฟังอย่างนี้ก็พึ่งพากัน จำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วไปเจริญอัตถากรรมฐานเสมอเสม อ, อเหงื่อใครไหลออกมาเอาผ้าเช็ดผ้าถู ก, ก็จะไปเช็ดเป่าๆก็ต้องดำลิในใจว่าแม่ร่างกายนี่โตกปกจริงๆเต็มไปด้วยเหงื่อด้วยใครไหลออกมาแล้วเอาผ้าเช็ดผ้าก็เศร้ามองคุณมัวทั้งทรงปินเหม็นด้วยเช่นรักแร้สองข้างอย่างนี้นะ เมื่อเหงื่อใครไหลออกมาอทั้งโศกโกรกด้วยทั้งทรงกลิ่นเหม็นด้วยหมูเนีนะ่แต่คนเราไม่ได้พิจารณ์นี่เมื่อมันเหม็นกับเหม็นไปเฉยๆไม่ได้พิจารณาโดยอุบายแยบใครในใจมันก็ไม่เบื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็หลงรักหลงไข้ ร, ร่างกายในอยู่อย่างนี้แล้วเพราะเหตุดังนนะั้น มันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยเพื่อไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ได้มาครอบครองแล้วก็เอาแล้วเป็นทุกข์แล้ววะนี้เพราะว่ารูปกายอันนี้มันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยปจัจจัยสี่ดังที่เคยพูดมานั่นเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยอาหารผ้านุง่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยหยูกยาแค่โรคภัยไข้เจ็บต่าง นี่กลั ว, ว่าจะแสวงหาปัจจัยสีน่นี่มาบำรุงอุปธรรมร่างกายอันนี้มันได้มาแสนยากแสนลําบากไม่ใช่น้อยถ้าบุคคลมีบุญวาสนาน้อยยิ่งลําบากใหญ่การแสวงหาปัจจัยสี่นี่นะหาอย่างไรมันก็ไม่ได้ตามประสงค์เลย่ผู้มีบุญวาสนาได้ทํามาแต่ชาติก่อนก็ยังชั่วน้อยพอหาได้ง่ายขึ้น แต่ก็อยางว่านั่นแหละคนมีบุญวาสนามีเงินมีทองมากเอา้าโจรผู้ร้ายมันไปอยากได้มันไปวางแผนไปยื้อแย่งเอา อ, อย่างนี้นะมันมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนใจการมีอัตภาพร่างกายอันประกอบไปได้วยธาตุตีดีน้ำไฟลมนี้ขึ้นมาแล้วเต็ไมไปด้วยภัยอันตรายหมายความว่างั้นแหะอะทั้ง ไม่สะอาดไม่ไม่สะอาดสดสวยด้วยแล้วก็ทั้งไม่เที่ยงไม่ยังยืนด้วยทั้งประกอบไปด้วยทุกข์ทนได้ยากลำบากด้วยระการต่างๆนี่ความจริงของร่างกายเป็นอยู่อย่างนี้นะแต่คนเราเนี่ใส่ความประมาทความเ็นผู้ปราศจาก อยู่ปราศจากสติธรรมะเชญะไม่มัน ล, ลึกเข้ามาหากายห า, ายใจนี้บ่อยๆก็จึงไม่เห็นธรรมของจริงอันมีอยู่ในร่างกายนี้จึงพเพลิดเพลินยินดีไปแต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมัมผัสที่โลกเขาสมมุติว่าสวยว่างามน่ารักน่าใครน่าพอใจต่างๆนั่นนะ่ะมีแต่พเพลินไปอยู่นั่นไนะ สำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของสวยของงามเมื่อตอนได้มาครอบครองแล้วตนก็จะมีความสุขความสบายนี่มันเข้าใจผิดไปอย่างนั้นคนผู้ประมาทอยู่ปราศจาก ส, สติธรรมะเช่นญาตเป็นอย่างนั้นแหละถ้าผู้ใดไม่ประมาทแล้วมีสติมันลึกเข้ามาทบทวนเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่บ่อยๆเข้านี่ มันก็จะเห็นความจริงของร่างกายนี่ตามเป็นจริงเรื่อยไปแหละความจริงของร่างกายนี่ก็ อ, อย่างที่ว่ามาแล้นั่นหละโสโครกโศกกระปกไม่สวยไม่งามอะไรอะ่ะอย่างหนึ่งแล้วก็ทั้งไม่เที่ยงไม่ย่งยืนมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทนได้ยากทนลาบากแต่ว่ามัน เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องยักย้ายพันแปรไปอาการที่มันแปรปวนไปนั่นคือว่าเป็นลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายนีจิตใจเมื่อไม่รู้เท่าร่างกายนี่ตามเป็นจริงใจนี่ก็นิ่ ง, น, งนิ่งอยู่ไม่ได้ก็กระวนกระวายไปนั่นเดีย ว, ว่าใจเป็นทุกข์นี่ความทุกข์ทางใจเนะี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยอาการที่ไม่รู้เท่า นามรูปตามเป็นจริงอย่างว่านี้แหละมันถึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายนี่ <c oughs> เป็นเช่นนี้แหละพระศาสดาจึงได้ชงแนะนาสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นได้ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายนี่ให้เห็นตามสาภาพความเป็นจริง ความจริงของนามรูปของขันธ์ห้านี่มันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเลยใครจะมีอำนาจบาดใหญ่สักเท่าไรเท่าไรจะมาบังคับร่างกายนี้ไม่ให้มันแปรปรวนแตกดับไม่ได้เลยนี่เป็นความจริงแท้เลยแต่คนเราไม่พิจารณานี่เมื่อไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นมันก็ไม่เบื่อไม่น่าย เมื่อไม่เื่อไม่ได้มันก็ไม่คลายความกาหนัดยินดีมันก็ยึดถือเอาไว้ว่าเป็นเราเป็นของของเรา อ, อยู่อย่างนั้นแหละไม่ว่ามันจะมีโรคภัยมาเบียดเบียนเท่าไรเจ็บไข้ได้ป่วยร้องครวนคางอยู่อย่างไรมันก็ยังถือว่าเราเจ็บเราป่วยเราจิบ เราเจ็บตรงโรน้นเราปวดตรงนี้เรามีโรคใครเบียดเบียนอะไรก็เราทั้งนั้นแหละหมดอ่ะนี่ความหลงของจิตใจนั้นเป็นอย่างนี้แหละซึ่งจะไปมีอุบายสอนใจเตือนใจในเวลาอย่างนั้นไม่มีเลยอ่าก็เพราะเหตุอะเพราะอูมาประมาทไม่ทวนกระแสจิตเข้ามา เพ่งพิจารณาสอนจิตใจตัวเองเลยแต่ก่อนมาแต่ชาติใดชาติร่วงร่วงแล้วมาโน่นนะก็ไม่มีอบายแยบคลายสอนจิตใจอย่างว่านี้เลยเพราะเกิดมาในชาตินี้นะ่ะอุบายธรรมะเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นในใจได้เพราะตนไม่เคยคิดไม่เคยนึกมาแต่ชาติก่อนโู่นนะะแม้ว่าท่านผู้รู้ทางหลายจะแนะนําสั่งสอน ให้คิดใหนึกอย่างไรมันก็ไม่อยากคิดเพราะมันไม่มีนิสัยปจัจจัยสีตามมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงรู้แจ้งนิสัยใจคอของมนุษย์รลสัตว์ทั้งหลายมีประเภทต่างๆกันเนะี่ยทรงอุปมาเหมือนอย่างดอกบัวสีเหล่านั้นนะ <c oughs> ดอกบัวเราทีแรกนั้น ยังจมอยู่ในน้ำอยู่ในตรมอยู่ในตรมนู่นน่ะนั่นแหละกำลังผลิออกมาเรียกว่าพิยอดผิใบออกมาคอยแต่จะเป็นเหยื่อเต่าเยื่อปลาไปอย่างนั้นไม่แน่นอนเลยนี่นท่านอุปมาเหมือนอย่างบุคคลประเภทปะดะประมะคือว่าคนบุญน้อยพูดง่ายง่ายเดียไหม แม้ว่าพราะองค์จะแนะ น, นำสั่งสอนโดยอุบายปริยายเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงได้เลยมืดตืออยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่คนจะพวกนี่แล้วคนจะพวกอีกที่สองนี่ทรงเปรียบเทียบไว้เหมือนกระดอกบัวโผล่ขึ้นจากเปลือกตมแล้วแต่ยังจมอยู่ในน้ำนุ่น ยังจมอยู่ในน้ำท่านอุปมาไวเหมือนกับบุคคลประเภทที่สามที่ท่านไดว่านเนยยะบุคคลแปล ว, ว่าบุคคลผู้ที่ยังจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติฝึกหัดทรมานตนไปตามแนวหัดถังคีกามักแปะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมีความเห็นมีปัญญาเห็นชอบเป็นต้น มีความตั้งใจชอบเป็นที่สุดนี่ต้องพยายามปฏิบัติตามองค์มรรคแปดประการหรือว่ายนให้สั้นลงมาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี่แหละพยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ให้แก่กล้าบริบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยแต่ท่านจำพวกที่สามนี่ก็ก็จะได้บรรลุมรรคผลในชาติที่เกิด น, นั่นแหละชาตินั้นแหละไม่เลยชาตินั้นไปดอก ถ้าไม่ได้บรรลุถึงอรหัตผลก็บรรลุนาปบาโสดาปฏิผลเป็นต้นขึ้นไปเป็นอย่างนั้นท่านเรียก ว, ว่าเนยยบุคคลนี่บุคคลอีกประเภทที่สองนั่นนะ่ะพระพุทธเจ้าทรงอุปมาเหมือนอย่างดอกบัวขึ้นมาโดยลำดับแต่ยังยังยังยังพ้นจาก น้ำไปไม่ได้ท่านเปียบไว้กับบุคคลผู้ที่วิปั จ, จิตันยูนะผู้ที่พระบรมศาสด า, ศ า, ศาหรือว่าพระสงฆ์สาวกองอรหันต์เจ้าของหลายแสดงธรรมไปยกหัวข้อธรรมขึ้นแล้วอธิบายไปนิดหน่อยเท่านั้นแหละท่านจำพวกที่สองนี่ ก็ได้บรรลุมรคผลทันทีเลยไม่ได้ทำให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้อรหันต์ทั้งหลายผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ลำบากในการแสดงธรรมอย่างวิจิตพิสดารเลยท่านอธิบายหัวข้อธรรมนั้นไปนิดหน่อยเท่า น, นั้นแหละท่านผู้ฟังนั้นก็รู้แจ้งทันทีสำเร็จมรคผลธรรมวิเศษได้เลยนี่ ท่านเปียบไว้กับดอกบัวที่ใกล้จะพ้นจากน้ําแล้วนั่นแหละท่า น, นี้ประเภทที่หนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้กับดอกบัวที่โผล่ขึ้นจากน้ํามาแล้วแต่ยังไม่ได้รับแสงพระอาทิตย์ก็จึงยังไม่บานพอได้รับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นแหละดอกบัวนั้นก็บานทันทีเลยอันนี้พระองค์อุปมาเหมือนอย่าง บุคคลประเภทที่หนึ่งนี่เป็นผู้มีบุญวาฒนาบารมีแก่กล้า ม, มากอแล้วเป็นผู้มีบุญมากที่สุดแล้วเขาว่านะใกล้กจะได้บรรลุมรรคผลเต็มแก่อยู่แล้วพอพระศาสดาทรงแสดงธทมบาตรพระคาถาเดียวเท่านั้นเนี่ยจบลงนะโดยไม่ต้องได้สีแจงอธิบายอะไรเลย ก็ได้บรรลุอรหัตผลรวดเดียวไปเลยอันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าอุคติตันยูแปลว่าผู้ตัดสู้แล้วเนี่ยคนในโลกอันนี้นะมันมีอยูอ่สี่จำพวกดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นแหละให้พากันทบทวนดูชีวิตจิตใจของตัวเองว่าตนนั้นเนี่ย เทียบได้กับบคุคคลประเภทไหนในปัจจุวัลนี้นั่นเข้าใจว่าส่วนมากนี่พวกประดัประมะน่นเลยปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็บรรลุมรคผลไม่ได้ฟังทมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้นี่ระลึกถึงตัวเองก็ไม่ได้มักจะหลงจะเมาไปอยู่อย่างนั้นไอ้พูกที่ ได้ฟังธรรมเพียงนิดต่อแล้วจะรู้แจ้งได้เลยไม่มีสําหรับในสมัยนี้เนะี่ยว่าคนมีบุญน้อยวาสนาน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้ว่าตนมีบุญวาสนาน้อยอย่างเนี้ยแล้วก็จะมาท้อถอยเสียไม่สั่งสมบุญกุศลสืบต่อไม่ทําความเพียรคาจัดกิเลสบาปธรรมออกจากกิตใจกิตใจแล้วผู้นั้นมันก็ยิ่ง บุญยิ่งน้อยลงยิ่งหมดไปแล้วอเมื่อบุญหมดไปแล้วก็จะได้ประสบแต่ความทุกข์นั่นแหละเมื่อละโลกนี้ไปไม่มีหรอกที่จะได้ประสบความสุขนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผูใ้ใดรู้ตัวว่าตนมีบุญน้อยแล้วก็ไม่ประมาทนะพยายามสั่งสมบุญกุศลเมื่อรู้ว่าตนนั้นมีกิเลสย่างหนาอยู่จึงไม่สามารถจะรู้แจ้งในอริยสัจจะทำ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นได้ก็รีบเร่งทําความเพียรเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยนั่นเองเจริญสมถะวิปทานาเข้าไปอย่างที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั่นเองไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลําบากต้องอดต้องทอนนะการจเจริญภระกรรมฐานนี่ก็หมายความว่าการสัางสมบุญกุศลนั่นเอง ในเมื่อตนสามารถทําใจของตนให้สงบลงได้แต่ละครั้งนี้นะโอ้ย ไ, ได้บุญกุศลมากมายบุญกุศลเกิดจากภาวนานีนมากกว่าอา น, นิสงส์แห่งการให้ทานการรักษาศีลเลยมันเป็นอย่างนั้นการเจริญปัญญาวิปัสสนาให้งอกงามเจริญขึ้นในใจิตใจก็ยิ่งเป็นบุญกุศลอย่างสูงส่งเลยทีเดียว น, นี่แหละจะทำให้อินทร์ีบา ร, รมีมันแก่กล้าขึ้นได้นะก็ขอให้พากันเข้าใจคนส่วนมากนั่นนะ่ะเพียงแต่แค่ขนขวายในทานนวัตถุเท่านั้นแหละหาเงินหาทองเข้าของได้มาแล้วเอาแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างนึกว่านั่นแหละคือการสั่งสมบุญกุศลของตนไอ้ส่วน รักษาศีลหรือภาวนาอย่างนี้นะไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่นักเนี่เพราะฉะนั้นการบรรยายทําในที่นี้จึงจะข อ, อะชักชวนตักเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายให้มาสนใจในการรักษาศีล น, นี่ให้บริสุทธิ์ให้ได้อย่าไปเพียงแค่ทำบุญทำทานเท่านั้นเลยไม่ถึงหรอกพระนิพพานนะแม่แต่สวรรค์นี่ก็ยังไปไม่ได้ พก็คนเราจะให้ทานมากอย่างไรก็ตามถ้าก็ยังไปทำบาปอยู่ยังไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่อย่างเนี้ยก็ยังจะพ้นจากอบายภูมิทั้งสีไม่ได้เลยนี่ขอให้นึกให้มันได้อย่างนี้เมื่อผู้ใดเกลียดต่อความทุกข์ดังกล่าวมานั้นแล้วก็ให้เป็นผู้มั่นในศีลให้ได้จริงๆอย่าไปอ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่า ขัดต่อการทำมาหาเรื่องชีพออย่างโน้นอย่างนี้ธรรมดาผู้มีปัญญาแล้วผู้ใช้ความเพียรความพยายามแล้วมันต้องรักษาสินได้แน่นอนต้องบําเพ็ญสมาธิจเจริญวิปัสสนาได้พอมีอาศัยปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่จะเอาตัวรอดจากทุกข์ใครในวัฏสงสารนี่ได้ดังแสดงมา